ทั้งความแค้นและก็มีทั้งความอับประโยชน์แต่ไพรบ้านพลเมีนทั้งหลายทั้งปวมมากอยู่ในที่สุดอี่ยงนี้ก็เชื่อคอตัวเองถึงแก่ความตายไป เสียงสมเด็จระสมัตในมืองเซจชวนได้13ปีพระเจ้าสุนกวนสเวราในเมืองกังตังได้10ปีพระเจ้าโจโยยอสเด็จราในมือโลกเอียงได้9ปีตอนนี้อยู่ในราวปีพุทธศักราช7078 ทั้งสามเมืองก็มิได้เป็นศึกแก่กันมาช้านานราษฎรทั้งปวงก็คอยได้ความสุขคือรบกันจนย่ำแยกไปตอนนี้ก็เลยไม่ต้องรบกันราษฎรทั้งปวงก็ได้ความสุขขณะเมื่อพระเจ้าเกียวยอยกลับมาแต่ดือนหักป่านั้นจึงไปตั้งส ก, ก, กัดกั้นสุนกวนวไว้แล้วก็เลยสิ้นึกสิง ส, ง, สงครามแล้วก็กลับ ตั้งประทับอยู่ณนเะมืองหูตโตก็จึงตั้งสุมาอี้ให้เป็นที่มหาอุปราชสุมาอี้ได้ขึ้นเป็นมหาอุปราชแล้วให้ยกไปตรวจค่ายครูประตูหรอรบด่านทางทุกตำบลแล้วสุมาอี้ก็กลับไปเมืองโลกเอียงพระเจ้าโจยยอยก็ให้สร้างประสาราชวังในเมืองหูตโตแล้วให้มากรินเป็นแม่กองคุมในชั้น 30,000 ลูกมือสำหรับช้ททำการ 30,000 มีม่ในช่างเนี่ย3 0ม0 0จับ ก, กางเนี่ยส0 0 0 0รวมเป็นผู้คนในการสร้างประสาทมีจำนวนทั้งสิ้น 33,000 เพื่อไปสร้างประสาทและซ่อมแปลงค่ายกูประตูหอรบม 100, 000, ัมมืนนกเอียน และทำปราสาทนั่ น, น 0, สูงยี่สิบวามีสูงหนึงเซนมากริ่นก็คุมในช่างไปทำการอยู่นามืโลกเอียนต่างสินคุนน้นมาเห็นคนทั้งพวงในความลำบากนะในการไปสร้างประสาทเนี่ยก็ก ข, ข้าไปทูงพระเจ้าจอ ย, ยอยว่าอันจะทำการสร้างบ้านสร้างเมืองเป็นชาเป็นมารรออยู่ชะนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าช่างทั้งปวงนั้นได้รับความลำบากนะประการหนึ่งเกิดว่าข้าศึกรู้ก็จะยกจู่ลูเข้ามาฝ่ายเมืองเราจะกะเกณไพรพลออกสู้รบก็จะไม่ทันแก่การก็จะเสียทีแก่ข้าศึกขอให้งดการสร้างปราสาทนี้ไว้ก่อนเถิดบารุงทหารไพรบ้านพลเมืองให้พ ร, พร้อมไปก่อนดีกว่า แม่มีการสงครามมาจะได้การ์เดนสะดวกตังสินนี่เขาไปกราบพูนกับพระเจ้าจยอยอย่างนี้พระเจ้าจอยอยไดงในตนน้นก็โกรธแต่ที่ว่าประการใดอะคุณนานที่เกลียดทางตางสินนั่นมีอยู่นิดก็ทูนยุยงกับพระเจ้าโจอยอยจะให้ค่าตางสินใช่พระเจ้าจอยอยก็ตอบแบบตังศินน่ะเป็นคนเก่ามีความชอบอยู่ สนใจฆ่าแคนั้นไม่นดเพื่อเจ้าโจยยอยไม่ฆ่านะ่ะจริงอยู่หรอกแต่ก็ให้ถอดตังสินออกจากที่คุณมมาแล้วก็กล่าวห้ามว่าซื้อไปเมื่อมาถ้าผู้ได้ขัดขวางมิให้สร้างเงินลบเอียงอีกจะให้ป่าทุสัตว์เสียเดี๋ยบโมีเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะเห็นไพ่คนทั้งหลายทั้งปวง ทั้งสิ่ตั้ง33 0 0ิหมื่นนะได้รับความรำบาดยากเข็นเช่นนั้นยิ่งนะก็เข้าไปกราบพระเจ้าโจยยอยอีกแล้วว่าอย่าให้สร้างเมืองโลกเอียงเลยเอาก็เข้าไปกราบพระเดชโดยผลุกปการผลที่เตียวบอได้รับก็คือพระเจ้าโจยย้อยอสั่งให้เอาตัวเตียวบอไปฆ่าเสียแล้วก็ยกจากฮุโตกไปอยู่ในโลกเอียงเรียหาตัวมากิน แม่กองช่านใหญ่มาสอบถามทีเดียวว่าเราให้สร้างพระสาทให้สูงกว่านี้หวังจะขอยาเทพยดามากินเพื่อจะได้จำเริญอายุโจย่อยพระเจ้าโจย่อยดูจะสืบทอดสิ่งต่างๆจากพระอยกาคือพระเจ้าปู่โจเมงเตโชวไว้มากยุนี่ก็ททำอย่างนี้ สร้างปราสาทให้สูงเนี่ยจะได้ขอยาเทวดามากินมากินแม่กองก่อสร้างก็ภูมอ่ะครั้งพระเจ้าบุเตน๋นชราคนะ่อยสร้างปราสาทสูงสามสิบวาแล้วเอาทองแดงมาหล่อเป็นรูปคนให้มีมือชูถาดรองน้ำคาัาอยู่ปลายเสาทองแดงที่ทะลุขึ้นไปทางวันคา และส ม, มุติว่า น, นั่นเป็นน้ำสุรามฤตเอามาลายยาสเวสวยเป็นอัตราหวังให้เป็นหนุ่มขึ้นและพระเจ้าหันบุเตจะมีอายุยืนมากกินกราตุนอย่างนี้เป็นการเจริญรอยตามพระเจ้าสภาพระเจ้าโยยได้แจงเยงนิดมากกินกระตุนเจนี้นี่ก็มีความยินดีจะให้อายุยืนมั่ง ก็ยิ่งได้มากินเนี่ยคุ้มฐานหมื่นนึ่งไปยกรูปคนทองแดงน้ําเมืองเตียงอ๋องมากินก็ไปไปถึงเมืองเตียงอ๋องก็ให้ทานั่งร้านขึ้นแล้วก็ถูกรูปทองแดงนั้นย่อนลงมาตามเสาเรอะคลานลงมาถึงพื้นดินก็เห็นรูปทองแดงนะ่ะน้ําตาไหลออกมาทั้งสองข้างอศเซจันนะ ทองแดงที่ทำเป็นรูปคมนนะ่ะน้ำตาไหลออกมาและก็ให้บังเกิดเมฟ้ามัวฝนลมพยยายพานะุใหญ่พัดนักประสาทประสาทที่สร้างไว้แต่โบราณแต่ครั้งกีเจาะหันบูเตนนะและเสาทองแดงนะ่ะก็หักลงมาทับทหารสึ่งไปในที่นั้นตายไปประมาณพันเศษมากินก็ไม่ละความพยายามให้ถูกคนทั้งพวก ช่วยกันเอารูปบั้นทองแดงนั่นแหละใส่เลื่อนราดมาถวายพระเจ้าโจยยอยแล้วก็ทูลตามที่มีอัศจรรย์นั้นทุกประการพระเจ้าโจยยอยก็ถามว่าแล้วเสาวทองแดงที่หักลงมานั้นอยู่ที่ไหนหรอมากินก็ทูลว่าเสาวทองแดงนั้นหนักถึงร้อยหมชั่งซึ่งจะราดมานั้นไม่ได้ ให้เ จ, จิดเอยให้ม้ากินเนี่ยคุมหันกล่บไปให้ไปเอาสาวทองแดงนั้นมาให้จงได้และให้รอรูปคนสองคนเรียกชื่อห้องตงและเอาไปตั้งไว้ที่ประตูวังอันที่วัดสุ ม, มา มากินต้อเรียกว่าในช่างใหญ่นะครับนํานเอามาได้นก็อเอามาแก่รูปคนทองแดงจเจอร์รี่รูปปั้นก็ได้เอามาได้แก่รูปคนทองแดงเท่านั้นแหละแต่เสาเสาทงแดงตสูงใหญ่ น, นยยนะเอามาไม่ได้พระเจ้าโจยย่อยก็ถามว่า เสาทองแดงซึ่งหักลงมานั่นนะ่ะไปอยู่ที่ไหนหรอมากินก็ตูนว่าเสาทองแดงนั่นหนักถึงร้อยหมื่นช่งหนักแค่ไหนร้อยหมื่นช่งช่างนี่หนักเท่าไหร่หมื่นชั่งหนักเท่าไหร่ร้อยหมื่นช่างนี่มันหนักเท่าไหร่อะ่ะเอาละเขาบอกว่าเขาลากมาไม่ได้พระเจ้า จ, จๆๆๆอยก็ ให้มากินคุ้มมันกลับไปไปยกสาวทองแดงนั้นมาให้ได้นี่แล้วก็ให้หลอรูปคนสองคนนะ่ะเรียกชื่อฮองตงแล้วก็จะ่นี่เอาไปตั้งไว้ที่ประตูวังอันที่วัดสุมาและคำโขนตัวนึงมังกรอีกตัวนึ่งเอาไปตั้งไว้หน้าปราสาทให้สร้างสวนในวัง ปลูกต้นไม้มีดอกและผลเป็นอันมากและที่ให้เอานกเอาเนึ่ อ, อกวานทรายมาเลีงไว้ในสวนและรูปทองแดงซึ่งเอามาจากเมืองเปียงอันนั้นกดตั้งไว้ในสวนสําหรับจะได้ชมเล่นและจัดยิงรูปงามไวนในามมา้ในตำหักในสวนเป็นอันมากแล้วให้มากินปวดปลากําชับในช่างให้เร่งทําปราศาสให้แล้วเสร็จให้จงรุ่ อหกุการกาะทำอย่างนี้มันสร้างความเดือดร้อนหนักหนาคุณนางทั้งปวงทูลพัก ท, ทานนี้ให้ทำประสาทพระเจ้าโจโยยอยก็ไม่ฟังมากินก็ดตัวตราให้ไม่ช่างกระทำตามรับสังพระเจ้าโจโยยอยนี่มีพระเมรุสีชื่อนางมอซืออูด้วยกันมาแต่พระเจ้าโจผียังสเสวบรายอยู่และมาบัด น, นี้ พระเจ้าโจยยอยเนี่ยมีพระสนมคนห น, นึนนหห่งชื่อนางนางโกยฮุยอินนะครับพระเจ้าโจยยอยรักยิ่งกว่านางหมอซือผู้เป็นแม่ศสียอีกอัฐิการใช้สอยมีอัธยาศัยขณะนั้นพระเจ้าโจยยอยอยู่กับนางโกยฮุหญินไม่ได้ออกว่าราชการประมาณเดือนเสร็จนี่จุดแห่งความเสื่องประการหนึ่ง ในหลายหลายประการเริ่มเกาะกุ่มโจโยอยแล้วครั้งอยู่มาถึงเดือนหปีรักการนพศเป็นเทศกาลดอกไม้งามท่าเจ้าโจโยอยก็พานางโกฮุงลงมาชมสวนดอกไม้แล้วก็เสดสุราอยู่ด้วยกันนางโกฮุย น, นั่นก็จริงจูบ่ะท่นไหนพระองค์ไม่ให้เชิญมาหมอซื้มาเสดสุราด้วยเรา เพราะเจ้าโยยๆก็ทูมอ่ะเจ้าเทพนางโมซีมาด้วยนั้นเหนเราจะเสดสุราไม่ลงคอหรอกแล้วก็ห้ามสาวใช้ทั้งวงอย่าไปบอกนางไม่หสีนะว่าเราพาโกยหยุ่ยมาชมสวนเนี่ยแล้วก็สั่งให้พนัก ง, งน้นนางเรานั้นขับบังเรอปรีเปรี่ยลี่ยนความสุขเกษมสมราษนัในนาประการเหล่านี้หนักหนาละ่ะ ฝ่ายมางมอสีนี่ด้เห็นพระเจ้าโจายอยสเสด็จมาเดียนเสษ็จแล้วก็ให้ไม่สบายใจวันนั้นก็มี่ด้รู้ว่าพระเจ้าโจายอยลงไปชมสวนก็หวังที่จะให้สบายใจบ้งางก็พอดีได้ยินเสียงคนขับร้องก็ถามนางผู้รักษาตำหนักว่าเสียงขับร้องน่ะที่ไหนนะ่ะ นางนนก็ทูลถวาพราะเจ้าเจยยอยพานางกกยหุยินมาชมสวนลอกไม้แล้วก็มีนางพนัก ง, งานขับบัมเรอรถวายนางมอสุเล็กฟางนี่นก็ยิ่งมีความมีตตกเปน็นอันมากจึงพาข่าสาวใช้กลับไปตำหนักที่อยู่นี่คือคื อ, คอลงมาชมตำหนักและเมือนกันนะแต่พอได้ยินเสียงท่านั้นนะยังไม่ได้เห็นหรอก แล้วก็รู้ว่าพระเจ้าโจยยอยพาสนมเอกมาเสพสุนอยู่ฉะนั้นน่ะวิตกเลยทีเดียวพาข้าสาวใช้กลับไปยังตำหนักที่อยู่เลยครั้นเวลารุ่งเช้านางมอซือก็เดินไปตามถนนที่ขนันไม้ระหว่างตำหนักสองข้างน่ะก็ได้พบพระเจ้าโจยยอยนางมอสือหัวเราะแล้วก็ทูลว่าเวลาวานนี้ พระมเสด็จไปประพาสสวนดอกไม้ข้าพเจ้าเห็นจะมีความสนุกสบายหาที่สุดนี้ได้ในการกราบทูลอย่างนี้การพูดอย่างนี้จะเป็นการยเยาะเย้ยผาผ่านนี้เน็ตแนวประการใดอ่ะพรเจ้าจอยยอได้คฟังทนนั่นแหละโกรธทีเดียวให้คันทีจับบรรดาสาวใช้ที่อยู่ในสวนมาสอบถามทีเดียวพรกเวลาวานเนี่ยูยได้กำชับไว้แล้ว เหตุใดพวกมึงจึงเอาเนื้อความที่กูลงไปประาพาสสวนพร้อมด้วยพระสนมไปบอกแกนางมอสือสเป็นเหสีนี่ว่าแล้วก็สั่งขันตีให้เอาตัวสาวชายเหล่าเนี้ไปส่งแกบุษูให้ประหารชีวิตเซียสิ่นนางมอสือมาเหสีได้เห็นดังนั้นน่ะก็ะตกใจเป็นที่สุด แระมีอาจจะเกิดทำราการใดได้ก็กลับมายัางที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าเจยอยเนี่ยสั่งประหาราสาวใช้ไปเป็นจำนวนมากมาแล้วนะ่ะก็โกรธนานมอสีไปนั้นมากเ่ยก็จึงส่งกระบี่ประสุรายาพิษพร้อมกับแพร่ดำนี่แพร่ดำนี่สำหรับรักคอตัวเองให้ตาย พิว่าส่เครื่องมือประหารชีวิตสามอย่างนี้ให้แกทังทีแล้วก็สั่งว่านางมอสือนั้นโทษผิดใหญ่หลวงนะตงเอาของสามสิ่งนี้ไปทำโทษนางมอสือตามแต่จะควรด้วยของสิ่งใดคือต้องพิจารณาตายเอาเองจะด้วยสุรยาพิษดืม่มข้าวปลาให้ตายหรือด้วยกรบี รือดึแพรนำรักคอด้วให้ตายค่อยเลือดเอาทันทีก็รับเอาของสามสิ่งนั้นมาทำโทษแก่นางมอสือจนถึงแก่กวามตายแล้วพระเจ้าโจยยอยก็ตั้งนางโกยงหยินขึ้นเป็นพระมะเหสีแทนนางมอสือที่ถึงแก่กวางตาย เจ้าโจยย่อยได้รทรงกระทําไปแล้วนั้นต่าเป็นถูกเป็นผีประการใดมเป็นความเสื่ยงความเจริญยังไร อ, อ, อ, งอ่ะอู่นูมามีลิสสีอาบูขิวเคียมเจ้าเมืองอิลจิวบอกมาให้ทูลพระเจ้าโจยย่อยว่าองค์สิอียนงองช์นของ เจ้าของเมืองเสียวตังคิดกระดยกตัวเป็นเจ้าเอียน อ, องตังแต่งุ้มนางขึ้นเบเนม่าให้สร้างเวียงวังค่ายคูประตูหอรบไว้เป็นมั่นคงแล้วส่้งสุนมตะแกรงทหารได้ร้อยหมืนม่นนี่ยมืจะยกมาตีเมืองลกเอียงพระเจ้าเจรยย่อยแจ้งข่าวประนันีตกใจทีเดียว จึงให้หัตสุมาอี้และคุณนางทั้งสองก็มาปรึกษาสุมาอีก็ทูลว่าซึ่งกองซุนเอียนมีใจกำเริบคิดขบถต่อพระองค์นั้นขาบาเจ้าจะขออาสาคุณทหารสี่หมืนในสมัครพรรคพวกของขาบาเจา้ามีมีมีสิ่งที่สุมาอีมีคือเป็นทหารที่อยู่ในสมัครพพวกของขาบาเจา้า นี่จะเป็นความสําคัญเระดับการที่เป็นจุดที่ทัมเมสูมาอีถูกตรวจลงจับอำนาจทั้งตัวอ่ะเอาแต่ตอนนี้ยังอ่ะอัศมาอีขออาสาเนี่ยฐานสี่หมื่นเท่านั้นอ่ะแล้วก็เป็นทหารเนี่ยสมรพระพู้ของตนเองด้วยแต่ยกไปตีเอาเมืองเงยอปันจับตัวกองซึ่เอียนได้จงได้พระเจโจอยอยก็ตร่าวว่าสึ่งท่านรอาสานี้ขอบใจนะแต่ซึ่งจะไปนั้นเราเห็นว่าทหารก็น้อย ทางก็ไกลกันนานเกรงว่าจะไม่ได้ราชการสุมัยก็ถูกวัดอันการสงครามนั้นใช่ว่าต้องมีทหารมากจึงจะได้ชชยชนะนั่นหาณิได้ซึ่งข้าพเจ้าจะยกไปครั้งนี้ถึงแม้ตัวทหารน้อยก็จะขอดทาส ง, งครามด้วยความคิดและเอาบา ร, รมีของหลวงเป็นที่พึ่ง เห็นจะมีชาชนะแก่ฆ่าสึกเป็นมั่นคงพระเจอาจอยก็ถามว่าท่านเคหนีเห็นกองสุนเอียนจะคิดอ่านราพูดประกางใดสุมาเอียก็ถุมว่าแม้กองสุนเอียนทิ่งเงียงเสียหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าเห็นจะติดตามขาดสมเบื่ไม่สัมทัดจัดเจนต่นทางข้อนี้เห็นว่ากองสุนจันคิดการศึกเป็นเอก ข้อนิงธากองซุนข้อนีงเห็นว่ากองซุนเอียนคิดการสุดเป็นเอกข้อหนึงธากองซุนเอียนยกออกมาตั้งข่ายอยู่หน้าเมืองเซี่ยงตานั้นเป็นความคิดโทคือเป็นความคิดชั้นที่สองข้อนึงแม่กองซุนเอียนยกมาตั้งอยู่หน้าเมืองเซียงเต็งอันเป็นแดนต่อแดนนั้นเป็นความคิดตรีเป็นชั้นที่สามเห็นจะจับกองซุนเอียนได้เป็นมั่นคง ทูมาอีเรียกว่าอ่านแผนการของกองซุนเอียนอย่างนี้คือคนหนึ่งอาจจะซุกซ่อนอยู่ในป่าถ้าเป็นอย่างนั้นละก็กองทัพซุมาอีจะติดตามําบากมากข้อ2องโยมาตั้งค่ายตั้งมั่นมาเมืองแล้วรบกรันนี่อละนี้ก็เป็นประการที่สองนี่ประการที่สามอาจจะมาตั้งอยู่ในเชียงเป๋งเป็นแดนต่อแดน ปลายแดนโลกเอียงเนี่ยเนี่ยเป็นสามราการกันพระเจ้าจุยยก็ถามว่าท่านจะยกไปครั้งเนี่ยจะช้าเร็วสักเพียงใดจริงจะกลับสซูมาอีก็ยืงถุมว่าอันทางจะไปมินเสียวตางนั้นปลายกันดานนะข้าพเจ้าคเนว่าทางที่จะไปนะ่ะต้องสักร้อยวันจะทําสงคราม สักร้อยวันกว่าจะกลับมาก็าสักร้อยวันจะต้องหยุดพักทั้งไปทั้งมานั้นสักหกสิบวันก็ครบปีหนึ่งแหะก็โดยประมาณปีหนึ่งแหละไปสึกครั้งนี้จึงจะได้กลับมาเมืหลวงพระเจ้าจอยอยก็ยิ่งว่าท่านจะไปท่านมานถึงปีหนึ่งอย่างนี้ แม้กองทัพเมืองเสฉวนวิือยมืองการ์ตังยกมาทำมันตรายเมืองเราอ่ะจะทําประการใดสุมาอก็ถือว่าพระองค์อยจะวิตกเลยก็เจ้าคิดอันจัดทหารไว้รักษาเมืองพร้อมอยู่แล้วพระเจ้ายอย เ, เ, เด็กฟังก็มีความยินดีก็จรงว่าท่าดังนั้นก็แล้วแต่ท่านจะไปกระทำมาท่านคิดเถอะสุมาอี ก, ก็จวานมันงคมลาออกมา แจงทหารในสมัครพระพวกของตอนได้จํานวนสีมื น, มนให้โหจุนคุมทานเป็นกองนะครั้งได้แรกซูมาอี้ก็ยกกองทัพออกจากเมืองลกเอียงหวังจะไปตีเมืองเสียวตังเป็นหวาซูมาอี้ยกทัพไปแล้วสุขสงครามมันสงบไม่ได้ระงับไม่ได้ บา้านเมืมันยังแตกอยู่เป็นกเป็นเราอยู่อย่างนี้หรือเมื่อใายเข็งแข็งขึ้นใครรวบรวมกำลังได้บงังมัจะตั้งตัวเป็นใหญ่ตั้งตัวเป็นเจ้ากันขึ้นมาทีนี้ข่าวเคลื่อนทัาของสุมาอีเนี่ยก็ไปถึงกองทุนเอียนละ่ะคือว่ามาชายของกองทุนเอียนได้รับทราบเหตุการณ์ด้วยในนั้นก็ว่าไปรายงานแกกองทุนเอียนว่าซุมาอี ยกรัพมาจะทาอันตรายแกเมืองเรากองสุเอรยงในฝ่ายนั้นก็ให้ปีเ e อียงกับเอวจออุ L ้มหัน8มื่นออกไปตั้งรับอยู่แม่ตำบลเลียวซุนคนจากแดนเมืองเซียงเป่ยปีเอลปีเอียงเอวจอก็ยกมาจากแจงตั้ง่านมั่นคงกว้าง0 0เร้เซน และขุดคูรอบตัวตราทหารให้รักษาไว้มั่นคงทีนี้ฝ่ายสุมาอีละโคจุนกองหน้าสุมาอีครานโยกมาถึงเห็นดังนั้นค่อยมาใชา้กลับไปรายงานสุมาอีสุมาอีเขาปรึกษากับฐานทัพหลวงยู่เดวะบัดนี้กองสืบเอี่ยแน่ฐ า, านมาตั้งคับตาทับอยู่ในตำบลเรียวสุนนั้นนี่ก็ได้หวังที่จะแกล้งมวงเนียวระไวให้ช้า เพื่อ้กองทัพเราเนี่ยขาดเสบียงอันทหารที่ออกมาตั้งอยู่นี้เห็นจะมากกว่าทหารในเมืองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะยกทัพอ้อมเข้าไปตีเอาเมืองเสียงเปงิอันเป็นแดนปลอดแดนให้ได้แล้วกวจะได้คิดการต่อไปก็ามาจบคิดดังนี้ผู้ใ ด, ดจะคิดเห็นประการใดอย่างไร นหารได้ทั้งปวงได้ฟังแผนซูมาอี้นิดก็เห็นชอบด้วยสุมาอี้ก็จึงให้ยกกองทัพอ้อมไปทางข้างทิศใายนี่เพื่อจะไปตีเมืองเสียงเป็นก่อนอันเป็นแดนต่อแดงเป็นเมืองของก อ, อ ง, องทุพเหนียนเท่าไหร่ชนี้ฝ่ายปีเอียนเอียวจอติดนำทับมาตั้งค่ายมั่นกว่าสองร้0ยเซนกุด คู่รอกตัวรามัันคมเนี่ยมีเอ็มเอลจอนี้ก็ปรึกษากันทีเดียวว่าครั้งที่ผมเบ่งยกไปตั้งอยู่ในเขากีษสานะ่ะสุมายีน่ะก็แดงรบนวมเมียวไว้คือไม่ได้ออกรบพุ่งกับผมเบ่งหรอกตั้งท่ายประทะไว้ยัง น, นั้นมวงเมียวเน้มนั้เนเลิ่นช้าจนองเบ่งตาย กองทัพซูมาอียกมาครั้งนี้อดทานกลายถึงสิหมื่นเส้นกลายถึงสิหมื่นเส้นเราจึงตั้งม่อยู่จะต้องยกออกรบพุ่งกับซูมาอีเลยแม้ซูมาอีขาดทะเบียนก็จะเลิกพับถอยกลับไปเองหูมาอีอ่านแผนของ แต่บุคคลทัองนี้ออกก่อนแล้ว อ, ะอ่ะบุคคลทั้องจะใช้วิธีที่คงเด้งเดินพ า, า ม, มาที่ซูมาอี้ก็ทํากับผงเด้งตนจะใช้วิธีนี้กลับมาจะทำกับซูมาอีอะอ่ะซูมาอีา้ขาเสบียแล้วก็จะเลิกทับกลับไปเองแล้วเราจึงคุมฐานออกไล่โจมตีก็เห็นทีว่าจะจับซูมาอี้ได้ดุเ อ, อียงเอียวจอปรึกษากันอย่างนี้ แค่นมาไทยก็เข้ามารายงานว่ามันนีู่มาอียกกองทัพอ้อนเข้าไปแกตีเอามูลเสียงเป่งแล้วพี่เอุก็ตกใจก็ปรึกษากับพีงจอว่าซูมาอียกออมไปนั้นนะก็เพราะูมาอีนะต้องคิดว่าทหารนมูลเสียงเป่งนมีน้อยนัมาตั้งสกัดกัน้นทัพเขาอยู่แค่ที่นีมากถงเราจะตั้งอยู่ในที่นี้เลยมจะไม่ได้ใช่ จำเราจะต้องถอยเข้าไปช่วยบางทีจะกดตีเหียนไหวอย่างนี้เดียวจอก็เห็นชอบด้วยก็ฟังเลย ก, กองทัพปรั บ, บเขไปฝ่ายมาชายของสุมาอิรู้การแังนี้แล้วก็รีบไปบอกสุมาอิวัดนี้ตีเหียนเดียวจอเลิกทับถอยเข้ามาหวังจะมาช่วยป้องกันรถสามมิงเซเต็ง มาอีแ้แเงนี่ก็วอร์ทีเดียเนี่ยเป็นแผนที่ชมมาอี้ชอบมากวและก็ดีว่าสิ่งปีเอียนเอียวจอ่อถอยเข้ามายุ่ยิ่นะ่ะกระสมความคิดของเราแีนี้ก็สั่งแคร์วป๋าแคห์วฮุคุมหาสกัดริมแม่น้ำเจสีเห็นกองกัพเมืองตันถอยเข้ามา ก็ขับถังก็โจมตีเกรนาบเอาชนะให้ได้แฮ hey, hey, ว์วัวฟ้าแฮว์วัววีลุกชัเสือชักสิงตานดียอ่ะเพราะคาสั่งแล้วก็คุมฐานไปสุ่มอยู่ครเหน่ ง, งปีเอียนเอียวจอยกยอมาสองแฮว์ัวพี่น้องก็จุดประทัดสัญญาณขึ้นแล้วสองแฟรแฮว์วัว hey, พี่น้องนี่ก็คุมฐานตีกรนาบออกมา ฝ่ายปีเอียนเอียวจอมไม่ทันรู้ตัวเลยถูกโจมตีก็เสียทีพาฐานรกฝ่าไปข้างที่เหนือก็พอดีได้พบกับกองซุนเอียนคุณฐานยกเข้ามาทางเขาซิฝันปีเอียนเอียวจอมก็บอกมีความน่าพึงได้ฟังวัดตนก็ไปตั้งทางมั่นคงตามคำสั่งแล้วล่ะแต่บัด น, นี้เหนือ เด็กสาสท่าว่ามิเชียงเป็นจะเป็นตะไม่ก็ถอนทหารกลับมาพื่จะช่วยก็ถูกฆาตสุโจมตีเอาชนีเรรนเเ้เอาก็ไรงานเลิกฝันเ่อแล้วก็พากองทุนเอียงยกกลับมาถึงนีม แ, มนมมแม่น้าเจสุยปีเอี้ยนก็ขึ้นมาไปน่าทหาน้ำพงทีเดียวเ็ราะว่าไอเราศัตรูน่งจะคิดกลนสุดอยู่ให้เนิ่ช้าเลย จนเลี้ยงออกมารบ ก, กับปีเอี้ยนช้นนี้กันไว้เถอะแฮรวป่าแฟ <Yeah. S 2> น, นก็โกรธ <Yeah. S 2> ขับมารำงาออกมารบรบได้ลบ ก, กับปีเอี้ยนสามเพลงเท่ามันแฮว์ว์วปา <Yeah. S 2> ฟันถูกปีเอี้ยนตกมาตาย <Yeah. S 2> แล้วก็ไรค้คาฟันทหารราคาสุดล้มตากันมมากทีเดียวกองสุเอียง <Yeah. S 2> เห็นจะต้านทานนี้ได้แล้ว ก็พาเอวจอและฐานะพวงถอยหนีเข้าไปในเมืองเชียงเปิงและติดปเงเตนฐานกือสามาถที่จว่ามาทยก็เน้ความทางนีไปแจ้งแกซูมาอี้ซูมาอี้ได้แจ้งแล้วนั้นก็รีบยกฐานขึ้นเข้าไปตั้งค่ายล้อมเมืองเชียงเปิงเข้า ไ, ามมาไว เมไอี่ดยรวมทำศึกกับกองสนเอียนอ่านความคิดกองสูนเอียนเป็นสามข้อไปแล้วข้อนี้เป็นข้อที่สามเป็นประการที่สามเปนน 3, ็นทั้งตรีค่งทั้งเอกทั้งโพทั้งตรีทั้งดึงทั้งมีสทั้งทีสาคือแผนมันง่ายรือเกินสำหรับจุมไอม่แล้วเพาะขนานั้นก็เป็นเพศสั ก, การกวัดสมปริมูฝนตกทั้งกลงวันกลางคืนทั้งเดือนเสร็จน้ำท่วมแนดิน ลึกประมาณสองศอกเศษสบียงที่ส่มานั้นอาวิบเข่าเป็นแต่สะเทินน้ำสะเทินบกคือต้องมาทางน้ำบางมาทางบกบางและทหารกลับมาอันเป็นภานะอันสำคัญในกองทัพพม่าอีกนั้นก็ได <s> ้รับความรำบาดที่ด้วยน้ำเนี่ยน้ำท่วมสูงถึสงสองศอกเศษอย่างเนี้ย ตัว เ, เกณฑสารวัติขวาก็จึนเข้ามาว่าแต่สูมาอีว้ว่าฝนนักตกถึงเดือนเสดแล้วยังไม่สงบทหารทั้งตัวเลยรับความลำบากด้วน้ำท่วมขอให้เลิกค่ายขึ้นไปตั้งอยู่บนเนินเขาแม้ฝนสงบแล้วเมื่อใดจึงค่อยคิดการต่อไปเมื่อ น, นั้นเถอะ สุมาอี่ยเดยฟังก็โกรธจริงว่าเรามาตั้งล้อมเมืองเฟียงเต่งไว้เห็นจะจับตัวกองสุเอียนได้ในวันพร่นี้แล้วเหตุใดอะมาว่าจะให้การมันเนื่อนช้าไปจะริสสุมาอี่ว่าอย่างนี้แล้วก็ประกาศกันในหมวดในกองทัพบริว่าแต่นี้สุดไปอย่าให้ผู้ใดมาว่ากล่าวมิน้นป่วยเก่งอยู่นี่เลย้ากผู้ใดไม่ฟัง เราเด้ตัด ส, สินเสียมากทายนีุ่มาอีออกคำสั่งอันนี้ไม่ให้พูดไปว่ามันพุกมันยาญมันเํานบากเนี่ยรลารุ่งเชา้าซืเหรียญสลรวัตรฝ่ายทรายบางังได้ขลาวไปว่าแกสุมาอีว่าขาพเจ้าเห็นานานงบูได้รับความลำบากนะจะนั่นจะนอนก็จตมน้ำอยู่ครึ่งตัวบงังจะหุงหาอาหารก็ไม่ใครจะได้ เอาให้เลิกทับถอยขึ้นไปตั้งอยู่หน้าที่นอนก่อนเถอะถ้าฝนคลายเมื่อใดก็จะยกเขารอมเมือไว้ดังเก่าสุมาอีเด็ดฟันดังนี้อีกแล้ววันนี้สรวัตรฝ่รายขวาวันนี้สรวัตรฝ่ายซ้ายมากล่าวดังเนี้สุมาอีก้ก็โกรธก็ที่ว่าตัวเราเป็นแม่ทัพพิอาญาสิกไม่ออกปาห้ามแล้วนีู่ใดผู้ชนิด แต่หไหตุใดตัวทึงไม่ฟันบางอาจน่วงอาญาใกเสียการของเราก็จึงสั่งให้ฐานเอาตัวซีเหลียนเนี่ยไปฆ่าเสียแล้วตัดเอาที่ามาเสียบนหน้าข่ายนีให้ฐานทั้งพวงดูเยี่ยงหยางบรรดานายทหารเห็นแบบนั้นต่างก็กลัวแล้วก็ไม่ได้มีผู้ใดที่จะกล้าเข้ามา ผู้จ้าวกล่าวพัดทานอีกเลยโกสุมาอีกกระทั่การนี้อย่างเข้มแข็งเด็ดขาดอย่างนี้ไม่มีใครกล้าพัดทานแล้วน้ำท่วมก็ทวมไปฝนตกก็ตกไปทุกคนต้องอดทนอย่างนั้นตามคำสั่งแม่ทัพ ขั้นอยู่มาวันหนึ่งมาอี้จึงให้เลิกข่ายถอยไปตั้งอยูไกลเมืองออกไปประมาณ200เส้นหวังให้ชาว ม, มืองเซียงเป็งและทหารออกมาหาตีจะได้ประยดกลอ่อตันกุลมีความสงสัยก็ถามทูมาอี้ว่าครั้งเมื่อท่านยกไปรบหนึ่งปะกนั้นท่านแบ่งฐางนออกเป็นแตดทาง ยกไปแปดวั น, นก็ถึงเมือทรงหยงของเบ่งตัดจึงคิดอ่านรถผู้จับเบ่งตัดได้ท่านก็มีความชอบเป็นอันมากในครั้งนั้นมาครั้งนี้ท่ายกกองทัพมาที่ก็มีทาหารแต่สี่หมื่นทางก็ไกลาถึงสิบหมืนเส้นเหตุใดท่านที่มาตั้งนินอยู่มิได้ยกเข้าไปตีเอามิ่ให้ได้ข้าพเจ้าเห็นว่า เจ็แป้งทรมานทหารนี่ได้รับความกำบาดนิดน้ำแหลกฝนและบะดนี้เลิกทับ ถ, ถอยมาตั้งค่ายไกลเมืองออกมาตะนิจจะปล่อยให้ชาวเมืองออกมาหากินเพื่อมีกำลังขึ้นอย่างเงินเดือนนี่ตังขุนถามอย่างนี้สมุมาอีเลฟังก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าเมื่อยกไปรบเมืนนองทรงหยงนั้นทหารเราก็มาก แต่สเสบียงก็น้อยกว่าเขาเราจรึงต้องรีบทําการโดยเร็วก็จึงสามารถจับตัวเมฆตัดได้แต่ที่เรายกมาครั้งนี้ทหารกองทุนเหรียญนะ่ะเขาก็มีมากแต่สเสบียงอาหารน่ะน้อยกว่าเราเราจึงคิดอ่านหนักงวงทวงเวลาไม่ได้ออกรบพุ่มถึงยกถอยมาตั้งอยู่ไกลเมืองออกมานเนี่ย ก็เพราะต้องการสถานกองซุนเอียนที่งกดยาข้าปลาอาหารหนีออกจากเมืองเมื่อเราเห็นว่ากําลังกองซุนเอียนน้อยลงแล้วเราจินได้ยกกองทัพก็ไปโจมตีเอาก็จะจับตัวกองซุนเอียนได้โดยง่ายหนุษ ม, มาอีใช้กันใช้แผนการบังนี้ปรับกันพลิกกันกับพี่ไปรบไม่ปัดเพราะทุกอย่างมันมันต่างกันหมดนี่มันก็สถานการณ์กัน สุมาอี้ที่แจให้ตานกุลฟังตานกุลได้แกนจ่านี้ก็คำมับเพื่อสรงเสริญว่าความคิดท่านนี้ควรเป็นแม่ทัพหลวงสุมาอี้นั่จัดหันกองทังไปขอสเสบียงณมีนโลกเอียงหวังจะได้เพิ่มเติมไว้านี่ยกองทัพต้องอดอยากต่างๆทั้งพวกนีงก็รับคำสุมาอี้แล้วก็รีบไปไปบอกวานตั้งวงแต่ท่านนายที่ใหญ่ในมีนหลวง คุณนายผู้ใหญ่ผู้น้อยแจ้งนั้นก็ปรึกษากันทีเดียวกราบผู้พระเจ้าเอยว่าสุมาอิยกกองทับไปเมืองเสียวตังครั้งนี้ก็เป็นหน้าฝนเป็นเทศการรีดูฝนทั้งทาหารระมาทั้งเป็นทาหานระได้รับความทุกข์ยากระมัดด้วยน้ำท่วมมัดนี้ ส่ทหารมาขอสมิงเพิ่เติมขอให้พองจึงได้มีหนังสือไปให้ซูมาอี้รถกองทัพกลับมาก่อนเถอะต่อพ้นเทศการห น, า, น, แ า, รหนาแน่นถึงเทรกาลหนาแรงแล้วจึงให้ยกไปตีอมเมริกอตั้ก็จะได้โดยง่ายมีคุณนายแม่สามพาูดอะไรกราบหรอย่างนี้แต่รูเ้เจอจอย อ, ยอยนี่รับสั่งให้ถอยมาเถอะ พระเจ้าเ จ, าเจายยอได้แจ้งก็ยปรากลดว่าท่านตั้งวงอย่าวิตตกเลยอันมาอี้มีสติปัญญาทั้งทํามาในการสงครามไม่ช้านักก็จะรู้ขาว่าสุมาอี้มีชายชนะแต่กองสุญเสียนมีพระเจ้าเจยยอยังเป็ตงตัวเองไม่ยอมเชื่อฟังแต่เชื่อในปัญญาความสามารถของสุมาอี้ ก็จึงสั่งให้จ่ายเสบียงอาหารให้แกอาหารของซูมาอีี่มาขอเสบียงเพิ่มเติมฝ่ายซูมาอีื่อไห่ารไปขอเสบียงยังลกเหงเหนื่แล้วอ่ะอยู่มาสามวันเวลากลางคืนคืนนั้นฝนมิได้ตกซูมาอีออกไปดูเล่บินเห็นอุกาบาดผ่านมาแต่พลตะวันออกเหงื่อนเขาสีส้า ตกอูมาข้างที่ตัว ต, อออต่อเฉียงใต้ทหารในกองทัพตกใจกลัวทีเดียวรักนณะที่เห็นดาวตกนี่แหละสุมาอีก็าาหันปราบยศตกใจเลยอันเป็นเหตุทางนี้เพราะเทพยาดาสังเวยเหตุจะให้เรามีชัยชนะแก่ข้าติดพ้นไปจากนี้ห้าวันมีเซียงเต๋งก็จะเสือแก่เรา อ ก, กาาตกลงแห่งใดเราจะได้ข่ากองฟุ้เอียนณแห่งนั้นผู้นี้เราจะเข้าทำการไปเมืองเซียงติงซุมาอีวะดังนี้ครั้งรุ่งเชา้าสุมาอีค่อยานยกเข้าตั้งค่ายร้อมเมืองเซียงติงไว้และก็ยังได้ขนดินดินมาถนอ่า เป็นมืองขึ้นทั้งสี่ด้านเลยให้ทําพะระองค์ทําบรรดาหกเข้าไปผพาดปีนกำแพงเมืองรบพุ่งจนทุกหน้าที่ให้ฐานเก่าทันเพิ่อดินดินเก่าพันก็ไปมีมวลดังหาผลทีเดียวก็กองมูดินพยายามนี้ทหารที่บนหน้าที่เชเท น, นก็รบพุ่งป้องกันโดยกัรวางวันตวนเป็นสามารถ้าะนั้นทหารมีเสียงเป่งเองแหะ เป็นฝ่ายขัดสนดิสเบียนอาหารเจอแล้วกองซุ่เหยียนก็ฆ่าโคและแพะมาแจากจ่ายให้อาบให้อาหารกิน <c oughs> อกองซุ่เหยียนเริ่มขัดสนสเบียนแล้วเอาแพะเอาโคมาฆ่าเป็นอาหาร บรรดาทหารและพร่บ้านรบมือจได้รับความบม า, บาอดอยนยานะคระก็ชัชวนกันว่าเราจะนิ่งอยู่เันนี้นะางก็จะพลอยตายกันเฟะเปล่าจำจะต้องชวนกันรื่นใจกันลอบเข้าไปตักซิสักองสินเอียงออกให้แกสูมาอี้เถอะเราท่านทั้งวงจะพ้นความตายเอาล่ะพูรุ่นมีความคิดอย่างนี้ ก็ชาชนชาวเมืองทั้งหลายทั้งปวงชวนกันดังนะับางก็มิได้กลัวกองทุนเอียนละคือจะฆ่ากองทุนเอียนเพื่อเพื่อตนพ้นจะทุกภัยจากซูมาอี้ในครั้งเนี้กองทุนเอียนด้วยแกนั้นก็โกใจมิได้คิดจะลบพื้นแล้วให้องเกียนกับอิงฮออกไปว่าแกสุมาอีว้ว่าจะขอขอยอมอ่อนน้อมแต่ขอเข้าเกลียด ก, กล่อมด้วยซูมาอี้ เขยอมแพ้กองเขียนกับลีวูก็รับคำและก็ออกไปพร้อมกับคนชายสี่คนแล้วก็ไปบอกแกทหารผู้รักษาประตูค่ายอะให้พาเข้าไปคทำนับกองสุเอียนให้พาเข้าไปคทำนับฟูมาอี้ครับไปทำนับฟูมาอีแต่ทหารที่เป็นผู้ของกองสุเอียนนี่ก็พูดว่ากองสุเอียนนี่กระบะเจ้ามาอ่อนน้อม ว่าจะขอยอมเข้าเปรียบกล่อมด้วยท่านเพื่อทำราชการด้วยท่านสือไปอกองขีแข็งสนองแขยงกับมีหูประยรก า, าที่เดียวว่าจะยอมเข้าเปรียบกล่อมด้วยสู ม, มาอีดีแจ้งดังนั้นก็โกรธทีเดียว นี่เขาต้องมีวิธีการของเขาเด็กเห็นเด็ผมคนไลค์ก็ตานไปอ้าพอพอออกมาเตะก็ออกออกมายอมแพวม้ว่า น, น, นั้นโกรธซูมาอิว่ากองฟุ้งเอี่ยนเนดีหมิ่นเราไม่ได้ออกมาคํานัดเราเองไม่เป็นไปนใชรทหารออกมาชนนีเนี่ยนี่จะคิดร้ายแกเรานี่ซูมาอีหว่าดังนี้ทําดังนี้แล้วก็สั่งให้เอาตัว องเกียงกับลีฮูไปฆ่าเนี่ยัดเอาทิศให้แก่คนใช้ที่มาด้วยเนี่ยเอาเข้าให้แก่กองผู้เยียนและให้บอกนี้ควาไมไปฟังผู้ประการละคือคือเขามานี่เขาก็มีผู้คนมาด้วยอะ่ะมาพั้งโดยคนท้สี่คนค น, นี่ยรวมก็มากันหคนองเกียงอยู่ลีฮูอยู่คนใช้อีกสี่เป็นหกถูกปัดหัวแค่สองสี่คนนี่ก็ปรับเอา อาิีษาขององคิมอีวไปให้แก่กองสุเอียงทู่เป็นมาแล้วก็แจ่งขอความตามที่สุมาอีวากล่าวให้ฟังี่้ประกาศน่ะกองคุณเอียเห็นดังนั้นแจงดังนั้นคืนฟีษาของบุคคลทั้งสองแล้วก็ทเมืมีความแล้วก็ตกใจสั่งให้อุยเอียออกไป ว, ว่าแกสุมาอีวักจะพูดให้ขันเกรบเลย อย่าพูดโกรธเพราว่าทุกวนี้เราจะให้เอากองซุนซิ่วผูบุตรของเราไปไว้เป็นจำมำก่อนถือว่าจะเป็นไปไปเป็นตัวจำมำก่อนแล้วเรากับอุ้มนายทั้งเปรวีวแต่ทำโทษตัวเองมัดตัวออกไปหาสุมาอี้ไปเอียงก่รับคำและก็ออกจากเมืองไปขณะนั้นสุมาอี้ รู้ข่าวว่ากองสุนเอียงให้โอ้ยเอียนออกมาก็แกล้งให้ทหารถืออาวุธดีอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นสองแถวทํำแข็งแข็งมั่นคงทีเดียวเรียกว่าก็ทําตาอัดก็ทําการคล้ายๆกับเมื่อครั้งติดตังปันสึ่งกวนตอมรับเป็นกีผู้เสฉลยวนั่นแหละแต่ดูวิธีการมานจะต่างกันอย่างไรอาคมายิ่งก็ทำหนี ทาหารเก็บแขนมังกรถืออาวุธอยู่ข้างหน้าเป็น2องแถวอะเข้าแถวมาเลยทีเดียวโอ้ยเอียงโอ้ยเอียงผู้เป็นผู้ผู้มาชำระความสันติเนี่ยพลันมาถึงหน้าค่ายุมาอีนี่ทำยังไงมันต่างกับเต็งตีที่ขงเบงชาไปสู่เซกชายไปสู่สที่ขงเบงมหากราแห่งกาตั้ง ใายเป็นจีไปเจรจ า, าความทันตะลุ่นู่้ผิดกันกันกบที่ของเบงไทยเปิงีคือโอเอียนเข้าไปอย่างนี้คลานเข้าไปคลานเข้าไปคลานเข้าไปกำมัดสุมาอี้ด้วยความกลัวแล้วก็ดอกเนื้อความติดกองซุนเอียนว่ามาทุกประการน่ะคือว่าจะทรงระบุชายออกมาเป็นตัวจำนำและตัวเองรองกับคุณนานจะมัดตัวเองออกมาหาในวันที่นี้ ครานกันไปเลยสุมาอก็ตอบว่าอันธรมดาการสงครามนี้มีอยู่ห้าประการประการหนึ่งเห็นพระปานฐานนี้ได้ก็ให้คิดก็ให้คิดออกมารบพุ่งจนสามารถมีพระปานฐานอยู่้ได้ให้ออกมารบพุ่งจนสามะมีประการหนึประการต่อไปถ้าเู่นี้ได้ ก็อย่าออกรถผู้ให้รักษาเมืองไว้จนมัน่นคุกอีประการหนึ่งถ้ารักษาเมืองไว้ไม่ได้ให้นีเอาไปรอดอีกประการหนึ่งแม่ไม่นีให้ออกมาอ่อนนอนแต่โดยดีจะมีชีวิตสูบไปอปีประการประการสุดท้ายถ้าไม่ออกมาอ่อนนอนดยดีก็ควรที่กจะตายเหตุใด กองฟืนเอ็นจริงคิดผิวอยู่ให้แต่ทหารออกมาเจราจาว่าจะเอาบุบมาไว้เป็นจำนำก่อนไม่ควรตัวจงเร่งปลับไปหบอกกองฟืนเอยนให้เร่งคิดอ่านโดยดีจึงจะรอดชีวิต ถ, ถ้าขัดขวางอยู่เพราะจับมาใชปตัดทิะเสียเมื้อที่ประตูเมืองนี่งซุมาอีกระทำสิ่งห น, หนาดอย่างนี้ให้วกโขกันเอาแค่ตาเลย ใจเนตกใจกลัวตัวฟังรอนรานทำนับร า, ากรออกมาออกจะกใครซู ม, มาอีกกลัก็ไปยังิเสียงเทิงก็ไปรายงานแต่กองซุนเอียนประกานว่า ม, มาอีว่าระใดบ้างกองซุนเอียนได้ังแล้ก็ตกใจก็หลอก บ, บอกกับกองซุนสิวผู้ ให้จากทหางคมสนิทเกลียมวัดเวลากลางคืนวันนี้เราจะหนีออกจากเมืองเซนอันวาอาทั้งกองสุนียนตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าสะสมรีทผได้เป็นจำนวนถึงร้อยห น, นึ่งที่มมี ก็กลัวล่ะกลัวสูมาอี้เป็นพี่ยิงแล้วกบอกกับลูกชายวางแผนการจะหนีละ่ะทีนี้ข้างฝ่ายชูมาอีน่ะก็คิดเลยล่ะก็รู้ี่ตกรมทะไรไปเนี่ยก็ ร, ก ร, ร, นนยกรู้อีกคือเดียวราบอกผมที่เกิดขึ้ น, นคือว่ากองทุนเอียนจะต้องหลบหนีออกจากเมืองเซียงเป็นแน่ชูมาอี้ก็ยกไปยังริมเนินเขาข้างทิศตะวันออกเขียนใต จะให้บุกทั้งสองซูมาเกียวซูมาสู๋กับมาฐานตั้งขึ้นสกัดอยู่เป็นหลายกองละคือที่เกิดต้องออกมาทีก็ตั้งสกัดอยูเป็นหลายกองไม่ได้ออให้ผลนละครั้นเวลากลางคืนกองซูเอียนกองซูสิวและทหารสนิทที่เป็นสมัครพรรคพวกอ่โดยแท้จีิเลยประมาณพันคนดีเด่นเขามีใครคนตามที่กล่าวแล้วว่า รววมรีพเป็นรอมืนดนี้รวรวมคนสนิทกลายคดประมาณพั0พอประตูข้างทิใต้หนีออกไปทางข้างทิดอัคเนศระยะทางประมาณร0อยเซนหนีไปเรื่อไกลประมาณร้อยเ้นแล้วก่นหนีไกลจะห่างพ้นเรอนไปเรืประมาณ5กิโลเมตรวังนั้นกองทนเด่ก็จอเคลมนี ผมเจพ็พทนจากเงื้อมมือค่าสุดแล้วครั้นว่าขาดคำลงเท่านั้นเองก็ดีิเสียงทหารโหขึ้นบนเนินเขาตั้งสองข้างทางแล้วก็แลเห็นสูมาอี้คุณทานมาส ก, กัดทางวัดข้างขวาสูมาสูข้างซ้ายสูมาเจียวคุณทานเตะกระนาบออกมาสูมาสูซูมาเจียวน้นก็ร้องขึ้นว่าไอกองคุณเอียงเป็นขบวแล้วจะหนีไปไหนเรา กองสูนเอีย่ยมยิ้มังมันวิ่งตกใจก็พากองสูนสิ้นกับทหารรบฝ่านหนีออกไปได้แล้วก็รักไปตามทายน้อยก็ดังกล่าวและซูมาอีให้ในายทหารไปตั้งศุกร์สกัดอยู่เป็นหลายกองเอาค้นจากกองสําคำอยู่แล้วพ้นไปได้แต่ก็ไปประท่ากับโฮกิ้นคุณทหารส ก, กัดดูแข่งข ว, าวข่าให้หัรบกับให้วุ่นแข่งซ้าย เดี่ยวห่อกับนักหลินตีกระนาบเขามาร้อมกองสูนเอียนอีกและสุมาอี ก, ก็ยกมาม่อีกด้วยหนีมากเลยกองศูนเอี่ยนเห็นจวงตัวค่ะแล้วก็พาบุตรจากหลังมาเข้ามาขมักสุมาอี้หมดทางที่จะหนีแล้วยอมเข้ามาขมักแล้วบอกขบเจ้าแต่ขอทำํำราชการให่สูดไป สูมาอีเด็กกว่านั้นก็กิ่นว่าแกฐานทัางปวงของตนว่าเราเห็นอุ ก, กาบาตตกและได้ทำไมาไว้ว่าพ้นกำหนดห้าวันจะจับกองซุนเอียนได้ตั้งแต่วันที่เราเห็นอุ ก, กาบาทตกมาจนวันนี้ก็นับได้ห้าวันพอดีเราจึงได้ตัวกองซุนเอียนมีสูมาอีผู้จ้าว่าวที่แกอย่างนี้ เห็นถึงความสำคัญของตนนี้แหละทหารตั้งปูนเด็กฟางเดินก็สรงเสริญวดพันแม่ทพับพันม้แม่นยำดังเทพยดามาบอกเหตุสุมาอีนั้นก็พูดต่อไปบอก้องซุ่เอียนนี้มีใจกำเริบนะตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าเดินกะบ๊อดตอแผ่นดินขึนจะเลี้ยงไว้มันไม่ได้สุมาอีค่อยทหารเอาตัวกองสุ่เอียน พร้องกับกองซุ่นสี้สองพ่อลูกเดี๋ยไปฆ่าเสียแล้วสุมาอี้ก็ยกไปยังเจรงกําแพงเมืองเสือปังก็พอดีโหมดึนยกก อ, องหน้ารีบยกมาได้เมืองเสือปังก่อนสุมาอีนั้นก็เข้าไปในเมืองให้จับมุตรภรรยาสมัครพระพวกของกองซุนเอียนกับคุนนางซึ่งเป็นใจด้วยนั้นหมักฆ่าเสียประมาณเจสิเศษ แล้วแคปราบปรามอาณาประชารัฐตอนทีนอ่อยู่ยังเป็นสุขชาวเมียนจิงบอกว่าเมื่อกกองซุ่มเอียนที่เป็นขบวนั้นแก่หวนคือแก่หวนกับลุมติกได้ห้ามปรมาบกองซุ่มเอียนน่ะโตรธได้เอาตัวคนนึ่งองไปข่าเลยสมัยมอีเด็กฝนนั้นก็ตินให้ไปคุดศพขึ้นมาแต่งการศบแกแก่หวนแล้วลิมติก แล้วให้เอาศพไปฝังตามธรรมเนียมให้เงินทองแกบุตรยาแก่หัวลุ่ติดตามสมควรและเอาเงินทองสิ่งของในครั้งนี่แหละในครั้งเงินเสียวตังนี่แหละมดแกกแต่ถ้าแก้ทานทั้งตวงแล้วก็ยกกองทัพกลับพอยกมาถึงกลางทางแล้วก็ให้มาใช้เรียกเอาเนื่อความทั้งตัวงเนี่ยเรียกว่าทําไยบอกขามักกราปูน แต่พระเจ้าจูออยอให้ไดชนทราบว่าได้เมียงเสียงปังแล้วว่าพระเจ้าจูออยอนเ่็นประชวนกอยกจากโลกเยียงมาอยู่ในฮูโตะแคือสมาอียกทาไปกว่ากองเยียงหน่กต้องใช้เวลาเป็นปีอ่ะเอาขนาดนี้ พระ เ, รเจ้าเตยอยไม่สบายก็มาอยู่มือฮูต้ละ่ะคือคเอถ้าว่ามีมือใหญ่สองมือฮุเต้ลกเอียงเนครับส่าามากจะอยู่โลกเอียงแต่บรดนี้กับมาอยู่ฮูยโต้คืนค่ำวันเนี่ยพระ เ, อรเจอาเตยอยเนี่ยเสด็จประทับอยู่บนปราสาทก็มีลมพัดมาเทียงที่จุดอยู่นั่นนะก็ดับไป เห็นเป็นรูปมานมอสือนี่มเมรสีแต่ที่สั่งฆ่าไปสเสแล้วนะสั่งประหารไปนะเห็นรูปานามอสือกับสนม9ก้าคนสิบคนเดินเข้ามาร้องทวงชีวิตน่ะมีความพุผางไปเมื่อสงสามปอนที่ผ่านมานี่เองแหละพระจอดโจยยอยเรียกว่ารักใคร่ร่งไรพระสนมเอกมากลงไปเที่ยวในสวนขวัญ แล้วก็สั่งปิดความไม่ให้ไม่เอสีรู้แต่พระเอินนางมองสืคือไม่เอสียนะก็ลงไปเที่ยวในสวนเหมือนกันแล้วก็รู้เข้าทแถนั้นแหละเพีแต่มาเปลามาพูดกับพระเจ้าโจยยอยแคาพเพียงเล็กน้อยพระเจ้าโจยยอยนะกรี๊ดมากสั่งเอาแมงสมบัตคฆ่าเสียในจำลวนทั้งหมดนั้นนะที่ประมาณเก้าคนสิบคนนะแล้วก็ ฟังประหารนางมอสุเหสีนี่ด้วยนะนี่ที่นี่มาบัก น, นี่นางมอซุอกับสนมทั้งหลายที่ถูกฆ่าตายแล้วนะั่นน่ะมาปรากฏร่างร้องทวลชีวิตทีเดียวทรานเจ้าโจยอนะตกใจมากก็ประชวนลงก็จิใเ้เรหาเหล่าห้องเละสุนจูซึ่งเป็นคุนนางผู้ใหญ่พร้อมกับ โจฮูผู้เป็นบุตรของพระเจ้าโจผีเข้ามาแล้วก็พูดว่าเรานี่ตวยมากอยู่จะให้เจอ้องบุตรเราเนี่ยครองรเราจะสมบัติสุดไปแต่อายุเจอ้องบุตรของเราก็เพิ่งเด็กแปดขวบดังนั้นจึงให้โจฮูสึ่งเป็นพระราชบุของพระเจ้าโจผีอ่ะ เพื่อ ว, ว่าจะการไปพรางก่อจงจนกว่าโจฮองจะเจริญอายุขึ้นแล้วเล่าฮองซนจูนั้นให้เป็นคุณนายผู้ใหญ่คงที่อยู่โจฮีเด็กฝาั้กก็จึงคิดว่าดวเราในี่กว่สับซื่อถ้ามีใจกรุณาแต่คนทั้งปวงสิ่งจะจะช่วยว่าจะการนั้นไม่ควร ก็ว่าข้าพเจ้านีสติปัญญาน้อยซึ่งแค่ข้าพเจ้าช่วยวราชการงานเรียงนั้นน่ะนิดได้พระเจ้าจอยอยก็ถามเหล่าฮองสุริย์จัว่าเป็นชนิดั้งทั้งสองเฉินผู้ใดซึ่งเป็นพระญาพระมง์มอันมีน้ำใจสู้สัตยพอจะช่วยประคองโจฮองนุก เ, เราให้ว่าราชการเมืองได้ เหลาฮองซุนองซุนจูหนีกุมานผู้ใหญ่ก็จึงคิดพร้อมกันว่าโจกินมันมีคุณแก่เรามีโจกินแบนี้โจกินก็ตายแล้วก็ยังแต่โจซ อ, องบุตรเป็นบุตโจกินมีแอแ่บโจนมากใหม่แต่โจซ อ, องบุตของโจกินเนี่ยยังอยู่ พอเราจะแทนคุณโจจิ๋นผู้ตายแล้วโดยจะพิทูลให้เจอซองเป็นผู้ช่วยโจฮองว่าจะการเมืเองเัอะเราจะได้แทนคุณโจจิ๋นผู้วายชนไปแล้วดีทั้งสามขุนนางจิกกัน น, นี้แล้วก็ทูลว่าข้าพเจ้า ก, ก็เห็นว่าโจองมุ่งโจจินนั้นสักซื่อพอที่จะช่วยโจฮอง พระรลัดโจรถว่ารจัการแผ่นดินต่อไปได้เพร่อเจ้าโจยอยก็เหอนชอบด้วยกดจิ้นตั้นโจส่งนะให้เป็นผู้ช่วยราชการให้โจฮูเป็นที่เอียนอ๋องไปอยู่รักษาเ ม, มืองเสียวตังที่ซูมาอีกกำหลับ ป, ปลาบพรานแบบแล้วนะที่ส่งไปเลยโทษโจฮูไม่ปราถนาจะอยู่ในบ้านในเมืองนี น, น, น แล้วก็สั่งว่าถ้าเรามีหนังสือให้หาจิ้นให้เข้ามาถึางแม้นไม่มีหนังสือรับสารให้หาแล้วก็ไม่ต้องเข้าเฝ้านี่ก็คือการเมรเทศกันไกลๆนั่นเองแหละโยฮูก็ ก, กาไไาราบถวายบังคมลาแล้วก็ยกครอบครับริวารทั้งสิทธิ์ดั่งพวงปเมียนเสียวตังเพื่เจ้าเกยย้อยนั้นก็ให้ออกไปรับซูมาอี้เข้ามา ทูมาอี้ก็เกลื่อนทับมาจนถึงเมืองฮูโตรเอาก็ออกไปรับให้ให้คุณมาที่มีนาที่ออกปรับซูมาอี้เข้ามาแล้วก็พูดว่าเราเปลืองนะอยู่แล้วเราเอาใจไว้คอยค่าแต่พอให้เดินมาทำเล็กน้อยนึงเถอะพินาแตว่าเราจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตซูมาอี้ก็พูดว่า เข้าพเจ้ามาถึงกลางฐานแจ้งจิติตศัพท์ว่าพระองค์ประชวรน่ะก็ไม่มีความสบายเลยแม้มีปิดก็จะรีบบินมาให้ถึงก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าได้มัดทำถวายบังคมก็เป็นบุมข้าพเจ้าหนักแล้วพระเจ้าตัวยนอนก็เรยหาโจห้องผู้เป็นบุตรกับโตซองผู้ช่คยราการและพร้อมด้วยเหล่าห้องซุนจูเข้ามา แล้วพระเจ้าเจยอยก็ยุดมีุมาอี้ไว้แล้วก็พูดว่ครั้งเหล่าปีต เ, เตือนนะอน้าเมืองเป๊ะเสียงก็เรียกหาเหล่าเสียนผนเบ้งเข้ามาแล้วก็ฝากฝังเล่าเสียนไว้กับผนเบ่งเหล่าปีก็ถึงได้ความตายผนเบ่งนั้นก็ได้ตั้งใจทะลุบังรุมเล่าเสียนมาโดยสุจริต จนคงเบ่งก็ถึงกับความตายในขณะทําการสงครามเหล่าเสี่ยนก็ยังตั้นตัวเป็นสุกร์ดุนเมินเสกชวนบนัดนี้เราจะให้เจฮ อ, องมุตของเราครองราชสมบัติให้โจซ อ, องผู้เป็นราชวงศ์ช่วยประทับประครองว่าจการไปจนกว่าโจฮ อ, องบุตเราจะจําเริญขึ้นก็ให้ท่าน กับราชจงศ์เหลกานางทั้งปวงช่วยกันไปดบอลลินโจห้องสูบปั